บทที่15ประสาทสัมผัสที่6ประตูสู่ปัญญาขั้นตอนที่13สู่ความร่ํารวยหลักการที่13นี้รู้จักกันดีในนามของประสาทสัมผัสที่6อัจฉริยภาพแห่งจักรวาลจะใช้ประสาทสัมผัสที่6นี้เพื่อสื่อสารกับเราโดยไม่ต้องใช้ความพยายามหรือร้องขอใดๆหลักการนี้เป็นส่วนยอดบนสุดของปรัชญาแห่งความสําเร็จเราจะสามารถซึมซับ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 ประสาทสัมผัสที่6จะเตือนคุณถึงอันตรายที่กำลังจะเกิดขึ้นเพื่อที่จะได้หลีกเลี่ยงและช่วยคุณสังเกตเห็นโอกาสเพื่อที่จะชฉวยโอกาสนั้นไว้ได้อย่างทันท่วงทีเมื่อคุณพัฒนาประสาทสัมผัสที่หของคุณแล้วมันจะเป็นเสมือนเทพผู้ปกป้องคุ้มครองขอให้ความช่วยเหลือแก่คุณเป็นเทพผู้จะเปิดประตูสู่วิหารแห่งปัญญาความมหัศจรรย์แห่งประสาทสัมผัสที่ห